ชีวประวัติหลวงถาวโรบุตดาถาวโรหลวงปู่จังหวัดลกบุรีนามเดิมเดิมบุตดามงคลทองบุตดาเป็นภาษา มงคลทองโยมบรรดาชื่อนางอึ้งมงคลทองเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น 10 มกราคม 2437 มีพี่น้องรวม 7 คนเป็นชาย 4 มงคลทองน้อง ชีวิตตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กหลวงปู่มีสุขภาพอนามัยดีแข็งแรงคล่องแคล่ว คือบิดามารดาทำนานั่นเป็นอาชีพหลักของครอบครัวตอนเด็กว่าเคยตายที่ไหนที่ไหนตายที่ไหนเคยเด 3 เดือนท่าน ได้ร่วมเค้าทำบุญตักบาตรพระอรหันต์ 500 รูปมาแล้วและช่วยในงานถวายพระราชทานเพลิงพระ ชาติก่อนที่ชายคนนี้รักและตามใจน้องทุก 10 กว่าท่านถูกบิดาเขี้ยนจึงวิ่งออกนอกบ้านพ่อโกหกพ่อโกหกพ่อเอทําไมมารดา จึงเข้าไปปลอบพร้อมสอบถามท่านจึงเล่าเรื่องอดีตชาติให้พ่อได้รักษาคำพูดว่าจะไม่ทอดทิ้งไม่ตีไม่ ประดุษชาติไม่ได้ส่วนหลวงปู่ประดุษชาติได้จึงตะโกนออกไปด้วยความ ใน 2458 หลวงปูอายุ 21 ปีถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารสังกัดกองทัพบกจากหลัก 2456 ซึ่งหมายถึง 6 รับราชการทหารอยู่ 2 ปีในกองทัพที่ 3 ศูนย์การทหารปืนใหญ่อำเภอคอกกระเทียมจังหวัดลพบุรีช่วง 2 ฝั่งแม่คือไทยและ ตั้งแต่ราชการที่คือ 15 ก็ 18 ก็ 19 ก็มีมีตายตำบลไหนก็เกิดตำบลนั้นเกิดฝั่งนี้ก็ โดยเป็นเหตุให้ตายเสียก่อนและท่านก็ไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิงเลยตอน ท่านก็เตือนว่าอย่ามาจักอย่ามาต้องนะพ่อแม่เขาว่าโตขึ้นท่าน เกิดพอใจพอใจแทนที่ฝ่ายหญิงจะพูดด้วยดีสาวในชาตินั้นบ้านถูกทุกตีเคียงผู้หนึ่งจึงไปพูด ก็มองเห็นอดีตชาติของตนได้ว่าชาติหนึ่งท่านเคยเกิดเป็นสมภารเจ้าวัดที่หมาตัวเมียขึ้นมาลัก ทั้งยันมัวหวนกับการเจ็บป่วยของสมภารและบุ่นกับการตายของสมภารใน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 ต่อมาเมื่อหมาตัวนั้นเกิดเป็นหญิงสาวและระลึกชาติ เวียนตายในวัฏสงสารอันยาวนานมากยิ่งขึ้นหลวงปู่ว่า โดยขอคุณพ่อคุณแม่ 5 ขวบแต่ผู้ปกครองยังไม่อนุญาตเพราะโยมบรรดาหวงว่าหลวงปู่ใช้ง่ายไม่เกเรตอน 10 ขวบหลวงปู่บอกแม่ว่าโตมาเราจะบวช เป็นพยาหน่อยว่าพยายามหน่อยว่าชาวบ้านโน้นมาอยู่บ้านนี้ทําไมเขามาอยู่ ฉากพวกนั้นเราไม่เอาแม่บอกว่าไอ้หนูเอ๊ะพูดออกไปแล้วนี่ 22 ปีแล้วผู้ 6 ปีจน 28 บิดามารดา เวลาต้องมีสกุลอื่นมาขอไปบวดนะมีสกุลอื่นมาขอไปบวชนะสกุลโน้นน่ะโยมพ่อแม่ทาง อยู่วัดพดงธรรมที่สกลเกิดไปอยู่วัดพระญาติ 90 โยม 80 มานับถือมา 15 เมษายน 2465ณพัทธสีมาวัด ตำบลโพนทองอำเภอจังหวัดลกบุรีโดยท่านพระคูธรรมท่านพระครูธรรมคันธสุทธรเป็นพระ 25 รูปเป็นพระอันดับพระ ภาวโรภิกขุหลวงปู่กล่าวเสมอ 25 รูปเป็นครูบาอาจารย์อุปัชฌาคือเกสาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตา นักขาโลมาโนมาเกสาพิจารณาตามลําดับและย้อนกลับจนเห็นได้ชัดเจนแคล่วคล่อง แต่อาศัยและปฏิบัติพระอุปชาท่องบทสวดมนต์ทำวัดเช้าค่ำและ เก็บความร้อนได้ดีก็ยิ่งทวีความพระและชาวบ้านต่างช่วยค่อยๆถอยลงมาจนหมด คงอดทนทำงานบางครั้งก็มีหญิงสาวสวยผิวนวนมาใส่บาทเมื่อตอนบวชเป็นมองมือก็สวย มองหน้าก็สวยขณะเดินกลับพัดท่านก็คิดตลอดทางว่าสวยขณะยังไม่พออีกยังจะเอาคนใส่บาทอีกด้วยพัดท่านก็ๆดังนั้น หลวงปู่ถ้าอร่อยลิ้นแก้ท่านก็จะงดเสียเป็นการทอรมานตนเองท่านเองอยากมีอยากเป็นแม้แต่ ในการวันหนึ่งธรรมมากวันหนึ่งขณะภาวนาอยู่ในพระเพ่งเตโชกสิณซึ่งปรากฏมีไฟๆ จากนั้นท่านก็อธิษฐานเพ่งอโปกสิณเอาฉันเมื่อเดียวมาดับ วันใดบินทบาทแล้วไม่ฉันก็ถวายพระเนตรองค์อื่นบางๆฉันเข้ากับเกลือก็มีตามแต่จะได้ บางครั้งเค็มมากเค็มน้อยหวานมากหวานน้อยแต่อะไรๆพอดีทุกอย่างท่านเป็นพระ ท่านฝึกหัดตนไม่เคยขาดคือทําวัดจวดมนต์พิจารณากรรมฐาน 5 ตามเพราะร่าง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 พระเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทนเอาผนุงบางวันมีก็ได้ฉันบ้างบางวันไม่มีไม่ได้ฉันก็ต้องอดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้อง จะพิจารณางกายเสมอไม่ได้ขาดกรรมฐานพิจารณากายเสมอไม่ได้ขาดกิเลสกามราคะก็ ก็คอยพิจารณาตามดูอยู่เสมอท่านก็รู้เออมันอยากสึกอยากศึกรู้สึกไปทําไม เรียกครูบาจะไปไหนเถอะไหมครับครูเอ้าเอาเพลเอ้าคนของเค้าไปพวกมึงไม่ไปหรอกครู พอเด็กไปแล้วเด็กไปเสือมาแล้วหนึ่งตัวพอบ่าย 12:00 ปักกลดปักถ้ํากูห้ามชาวมืดมึงมากูห้ามมึงมาขึ้น ผลืนตาขึ้นมาอีกตัวนึง 6 ศอกมาอีก 2 ตัว 3 ตัว 4 ตัว 6 ตัวเออเอาให้พอเด้อไอ้ตัณหาเอ๋ยมึงเอา ก็หายไปด้วยเออชิงนี่กลับบ้านได้ละโวยโดยไปตัดๆมันไม่รู้ไปไหนไม่ นั่งหลับหาตาตัวหนึ่งหูตัวหนึ่งเลยมากลายตัวหนึ่งตัวพอดีหาตาหมดสิ้นไปไหมมีอีกไหมรู้ได้หมดตอนนี้เอง เมื่อออกปัจฉาแรกหลวงปู่ได้ออกจาริกสถานที่วิเวกเจริญสมณธรรมเลือดเนื้อเป็นฐาน ภายในป่าป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยสิงสาราศัตว์ทั้งใหญ่น้อยในป่าดง 6 เชื้อคุณ ก่อนเข้าพรรษา 2 ที่วัดเนินยาวอุปัชฌาย์ของท่านหม่อมราชวงศ์ครั้นสงบพอสมควรแล้วจึงถอนจาก จึงเดินแล้วท่านก็พูดว่าหลานน้อยจับมือหลวงปู่ถามชื่อฉายานั้น ไม่ใช่ฌานบรรลุมรรคผลนะเมื่อฟังโอวาทแล้วให้เอิกอิ่ม เป็นพระคูมั่นของบางคนถามท่านว่าครูเสาท่านว่าครูมั่นแห่งภาคอีสานบางคน 2475 ที่ กรุงเทพฯแสวงหาโมกธรรมออกพรรษาแล้วท่านจะดุ้งเที่ยวป่าดงทึบจังหวัด และเมจิตบิวตาน่าร่างร้อง ม.ม. ใครจะถามให้แน่ใจอื่นส่งเสียง ม.ม. ดังลั่นตัว เหมือนกับภาษาธรรมคือภาษาใจไม่ต้องแปลหากใจเรามีมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมแล้วนิพพัตตรัสเลยอดีตอนาคต อติตันตสัญญาอนาคตสัญญากําหนดจิตรู้ได้เมื่อเพื่อสอบนิมิตป่าดงหลวงเข้าสู่หนองคายข้าม ที่โคนต้นพืชสาใหญ่ในนิมิตตอนเด็กนั้นท่านเห็นกะโหลก เหมือนของท่านเองพรรษาที่ 3 ระหว่างในพรรษาท่านได้ข้ามไป ที่ท่านเป็นผู้สร้างและจารึกเอาไว้ด้วยแหลมๆโน้นเขียนตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรจนเป็นสมภารเจ้า 3 ตู้ 3 ชาติแล้ว 3 ชาติชาติหนึ่งก็ พอบวชเป็นภิกษุสมภารวัดเขาไม่มีพอบรรษา 5 เขาจับเป็นสมภารก็ ต่อมาก็ตายเกิดมาใหม่ก็ตายเกิดมาใหม่ถูกอุ้มมาวัดอีกก็จําได้พอเดี๋ยวโตมาร้อง แต่ท่านได้พบตู้พระไตรปิฎกครั้งนี้เหลือเพียงแต่ทุบเก่าๆเต็มทีเท่านั้น ท่านเกิดไปทุรดงผ่านภาคอีสานที่หนองคายชาวบ้านตั้งสํารับถวายข้าว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 เขาถวายอาหารตอนเย็นจะว่าไงทุดงไม่เคยฉันมือเย็นฉันแล้ว flipped Europe nut มี kto ไปก็ไม่กลัวอดกินแต่พัษอาหาร คrica ว้าวินมัemuบ Stevens Luck แล้ว앞 Wr in E. W เอิบ 17 bought notes ภ mum hyatt喝ınız��요, อันน væreยย streng ท políticas hints like doBN ขอ Nice substantiress loguber รับ Happiness Kit Sa'dلب兄說 einer規 battery Mm boy artificial applique entrepreneur Navig supports дост Your Period 보� Lan lasted 35 าทなんです but you got mukbot loved isaut optimized for a illegal textbook paiage. Are those people whofact ไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องกลืนไม่ดิบยอดยากยอดไม้กินติด แปดพันสามากกว่า 1 พันสาทันทีที่เห็นหลวงปู่ก็ ได้คือถ้ำผูคาซึ่งอยู่กลางดงยางมีหนองน้ำใหญ่ใกล้เชิงเขา ในอดีตเคยเป็นสถานที่พระอริยะสงฆ์มาบำเพ็ญบารมีจนได้บรรลุธรรมในถ้ําผูกขาท่านทั้งสองต่างก็เร่งบำเพ็ญเพียรอย่าง จู่ๆเสียงของปู่ก็เงียบไปจน เห็ดตะขาบไต่คลานขึ้นมาบนผ้าแล้วนำไปปล่อยนอกถ้ำหลวงปู่ว่า จะกระโดดนั้นจึงเข้าไม่ได้เจ้าหลวงปู่สงฆ์ได้เอาตะขาบ จกกิจพระศาสนาและจนกระทั่งคืนวันหนึ่งผู้ขาหลวงพ่อสงฆ์และหลวงเรา จะผ่านของเขียวต้องระวังหลวงพ่อสงฆ์ท่านว่าวินัยมันมีกระดูกเห็นคนก็เห็นธรรมหลวงปู่สงฆ์ถามว่ายังมีตัวอยู่หรือหลวงปู่ว่ามีตัวสิถ้าไม่มีตัวจะ คือพูดนั้นเองเสกกิจวัตร 75 ท่านบอกว่าเป็นตัวไม่ได้หรอกเนื้อหนังเอ๊ะไม่มีๆนะพูด มีแต่ระเบียบของธรรมเท่านั้นไปยึดมั่นถือมั่น 2 ชั่วโมงจึงกลับมาพูดได้หลวงปู่ใช้ปัญญาตัดกิเลสได้ขณะนั่งสนทนาธรรมหลวงปู่ มันได้คล้ายกันก็ได้คือแล้วแต่ว่าใคร 32 ใช้กรรมไม่หมด ขณะรู้สึกสว่างแจ้งขึ้นมาเองอวิชชารอบตัวหมดเลยวิริจิตสว่างแจ้งขึ้นมาเองความไม่มีตัวตนเห็นชัดเจน ธรรมะต่างๆที่ทรงไว้คงอยู่ในจิตของตนเองกิเลสลึดไปเอง กลายสังขารก็หยุดงานตัวจิตสังขารก็หยุดงานนามรูปมันหยุดหมด ไม่มีสััotเกิญสัตว์ตาย ไม่มีใครดีขายช proportional ถ้ายังถือวินัยปิ pint สุตพ providing ยังมีตัวถืออยู่ถือตัวก็คือตัวธรรมนั่นแหละไม่ถือธรรมเป็นตัวไม่มีสัตว์มีคนจะมีธรรมมาก กิเลสก็ไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจหูจมูกลิ้นกายใจธาตุของกิเลสก็ไม่มีธาตุโยมเป็นธาตุของพระอ๋อ สมุติไทยไม่มีนามเออเหนือนามรูปนามรูปมินิโรธสัจครูแจ้งไปเลยมันดับ สิกรมณ์มาอาศัยกันตั้งหลายชาติหลายภพมนุษยธรรมเทวธรรมพรมธรรมธรรมมาตั้งอเนกชาติแล้วไม่ ของสังฆรส 10 อนุสัย 7 ออกคนเดียวกันนั่นแหละเพราะที เป็นสภาพไม่เป็นมูลของอกุศลธรรมทั้งหลายมีอวิชชา 1 เปเปเปบุญญาภิสังขารบุญซึ่งเกิดบุญขึ้นๆ เนนอาสาจารย์ใจทําให้ได้เป็นมนุษย์เป็น สิ่งสองอยู่เบื้องหลังแห่งสมุทรบุญญาธิสังขาร 2 อบุญญาธิสังขารคือบาปการยิน เป็นเหตุของสัตว์นรกโมหะเป็นเหตุของสัตว์เดรัจฉานเวียนว่ายตายเกิดในวัตตสงสาร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 ทั้งหลายจะไม่ๆให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ก็ยังเพราะเมื่ออรูปฌานสมาบัติที่ตนได้ถึงภาวะเหมือนสลาย หรือเป็นมนุษย์ได้รับความทุกข์เดือดร้อนอันเกิดแต่ 3 ชั่วโมงบอกนิมนต์นะ ก็ถามเอ้าหลวงพ่อส่งท่านว่ายกกุฏระธรรมแล้วต้อง ที่ปราศจากความเพียรอย่างหนักก็ไม่มีดวงตาเห็นธรรมและ แต่คุกถ้ําผูกคาที่อําเภอตาคลีนครสวรรค์คือเมื่อก่อนหลวงปู่สงฆ์ท่าน เดี๋ยวรูปนามพอมารู้สึกตัวก็ไม่ติดลังแต่เมื่อท่านได้ภาย บัดนี้ท่านไม่ถือนามรูปไม่ถือขันธ์อะไรแล้วเพราะครั้นออก บางองค์ต่างแยกไปประกาศพระ 40 ปีเมื่อท่านทั้งสองได้พบ ซึ่งจำลองพุทธลักษณะมาจากพระเกศแก้วจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขนาด 6 วา 2 ศอกสูงวาสร้างแบบครึ่งองค์ปริจฉถานะยอดเข้าผู้ ได้ผนัดอาศัยบำเพ็ญบุญบารมีจะได้รู้ ที่ถ้ําผูกขามาปัจจุบันก็ได้มาปฏิบัติภาวนาปู่บุทธาฐาวโรและอยู่ปฏิบัติธรรมพ่อสงฆ์พรหมศรัทธ์ก็ กับกรรมฐานองค์อื่นที่เกิดผักท่านก็ได้เห็นพระทาชะเดชเป็นวัยรุ่นก็มีและยังมีพวกวิญญาณเจ้าของทรัพย์อีกมากมาย ขณะไปเจริญกรรมฐานในป่าต่อมาไม่นานพระหลานชาย ชมศรัทธาได้บรรลุธรรมนำตน 2470 จน 2475 ได้ โดยออกเดินทางไปชลบุรีและจากนั้นหลวงพ่อประจินบุรีโดยธรรมที่พักในถ้ําตามลําพังชาวบ้านก็สงสัย ได้รับกับเขาเขากล่าวหาหลวงพ่อสงฆ์ว่าไม่มีใบสุจริตเป็นพระ พันจา 8 ไปอยู่เนรัญชราก็ยังไม่ได้รับใบสุทธิ์ใบสุทธิ์ไม่หลานก็ยังใช้กันอยู่พันจา 8 นี่คณะ 2 ปีเดียวกับภิกขุครูบาศรีวิชัยรูปเขาเรียกมา ไปอยู่แหลมเขาพนมประจินทร์บุรีเรื่องใบสุทธิครูบาติวิชัยเรื่องใบสุทธินี่ mandat ของพระจริตสุดาและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรสักศรีในพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาล จึงขอรัตนาหลวงปู่ไป 24 มิถุนายน 2475 เหตุการณ์ จึงได้จบศึกษาที่เพชรบุรีและได้มีโอกาส ปฏิบัติภาของหลวงปู่ตามใจเพชรบุรีได้มีการจัดงาน ที่วัดบุญทวีพอมาถึงท่านก็นั่งอาสนะที่ ได้จนเกือบถึงประตูทางออกแล้วผ่านที่ตั้งศพจนเกือบถึงประตูทางออกแล้วเจ้าๆทุก จิตของท่านหมดอาสวะกิเลสแล้วไม่ยินดียินร้ายใน ใน 8 หลวงปู่ราชบุรีจาก 2476 เป็นวันศาที่ 10 คณะศิษย์โยมกรุงเทพฯนิมนต์หลวง จึงขอนิมนต์มาสอบสวนใบสุทธิที่วัดเวญจมบพิตรหลวงปู่ ก็ต้องให้เข้ารู้ว่าเป็นนายร้อยไม่ใช่นายสิคือจะเป็นพระหรือเนน ก็ไหวคอนโทน้ำที่ท่านใช้ เอาโยมแม่พันษา 10 โยมผู้หญิงอายุ 70 กว่าไม่สบายหลวงปู่พามารักษา 80 กว่าตายในบ้านตาย 2 พันษาประยุกต์ นอนยาวขอเอาไปบวชโยมผู้หญิง 90 กว่าโยมผู้ชาย 80 กับปรัชญาที่วัดราชาธิวาสนั้นท่านพุทธทาสภิกขุนักปราชญ์เอกของไทยได้ไปกราบเยี่ยมและสนทนาวิสาสะเป็นที่ถูกใจต้องอรรถาสาย จากเหตุการณ์คราวนี้ทําให้ท่านพุทธทาสแก้ไขระเบียบว่าผู้ที่จะเข้าบาง ครั้งหลังสุดเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาปี 25033 ไม่เดินข้ามสุนัขครั้ง รับเดินลงไปอยู่โคนข้างล่างท่านว่าชอบไม่ชอบเช่นกัน หลวงปู่รับนิมนต์เทศคู่กับท่านเจ้าคุณ 8 ประโยคท่านเจ้าคุณถามหลวงปู่ และไม่ยอมเทศน์ร่วมกับหลวงปู่หลวงปู่ท่านตั้งเทศน์องค์เดียวจนจบแต่หลวง นี่ใครจะเป็นนักเทศต่อไปจำไว้นะๆล่ะโกรธหลวงครั้งถ้าโกรธ 2 ครั้งก็กราบคร 100 ครั้งก็กราบ 300 ครั้ง ท่านทําอย่างนี้เป็นการน้อมใจเข้าหาธรรมะทําจนกว่า โดยณวัดท่านจิระอาอุทราดิษฐ์ต่างสนทนาธรรมกันและร่วมทําวัดๆใช้หลับ และหลุงปูหลวงปู่แต่อธิษฐานอดอาหาร 15 วันให้ฤดิยา 15 วันหลวงปู่เป็นลมเลยถึงพอสด พบท่านเจ้าขุนอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันทร์จิตจันทโธวัดบรมนิเวศหลวงปู่ วจีรายานังวงอุปัชชาพระเจ้าแผ่นดินท่านเคยให้เนมเอา เป็นสมุทรเจตทุกองค์ศีล 5 ยังสามารถอยู่สามารถที่ไรก็บินหนีทุก 5 ที่ปีกสี่บินหนีเหมือนนกศีนกกระจอกนี่ศีลกุฏทระไม่หนีหรอกนี่แหละ ศีลบารมีนํามาได้ภิกษุสามเณรก็มาด้วยศีลบารมีอุบาสกอุบาสิกา 5 ก็บวชได้บวชได้ทุก 10 ก็ได้รสกลิ่น โพธัพพะธัมมารมก็จวนไปนิพพานอยู่แล้วศีลที่ไปนิพพานไม่ 5 บาตรศีล 8 บาตรศีลอุโบสถ 10 บาตรอย่างมาก 227 ของพระผู้ชายนั้น ธรรมบัญญัติไว้พระผู้หญิงนักศีล 311 พระเจ้าแม่นาท่าน 5 ศีล 8 ศีลอุโบสถ 10 เท่านั้น ไม่ได้เอามากรองไม่ได้เอาศีล 200 300 400 อะไรหรอกศีลบารมีถึงศีลขันธ์ธัมมขันธ์กำลังเข้านิพพานแล้ว ไม่ไคลเข้าไปคุยกัน 2 องค์หลวงตาต่อหลวงตาก็แล้วกันท่านบอกว่าท่านพุทธามีพร้อม ดูกฎหมายกับพระไตรปิฎกมันลงกันได้พบกันใน 2475 ท่านลาบวช 6 มีบุญ 7 วันแล้วยัง ท่านเจ้าคุณมหารัชมังคลาจารย์อนิจจัพอาวาสวัดสัมพันธวงศ์เคยปักกลดปฏิบัติธรรมปานวัดบางหนองโคพบกัน สร้างพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์รุ่นเดียวกันกับเจ้าคุณอุบาลีปุริทธโตท่านมีอายุมากกว่าหลวงปู่รุ่นเดียว จังหวัดลำพูนหลวงปู่มีความพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปรองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเขมโก วัดชุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่ว่าแหลงกล้าเอาจริงพ้นได้แน่มีนอกจากพระเถระผู้ใหญ่สายปฏิบัติที่กล่าวแล้วกล้าและพระปฏิบัติอีกหลายท่านจริงผล ให้จันทนาธรรมในปุจฉาวิสัชนาร่วมทางปฏิบัติธรรมจารึกธุรงด้วยเป็นให ตลอดชีวิตท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาและฝักตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ 2520 ท่านเจ้าคุณนิโมลหลวงปู่มาจาก คุณตรงบุญเติมบุญเรือนตรงบนเติมอาหารเป็นผิดครั้งหนึ่งโอกาสฟังธรรมแนะนํา จะต้องนอนทรงอยู่กับที่เจ้าของบ้านมีอะไรเกิดขึ้นท่านอาจารย์จะอ่อนกราบ รู้ว่าเขามีความทุกใจจะพาเขามีความทุกข์ใจแม้ด้วยมิได้เจตนาๆนานาส่วนจิตใจ ก็กลายกับใจมันคือเรื่องรวมกันไม่ได้กาย น้อยกว่าหลวงปู่เค้ายังแสดงอาการเจ็บปวดมากหลวงปู่ทํา อย่าพระบรมราชกุมารีและเสด็จเยี่ยมเจ้าจอมมารดาสดับซึ่งป่วยอยู่ ถามมากานปวดของหลวงปู่ไอ้หลวงปู่ได้ตอบว่าป่วยแต่แล้วหลวงปู่บอกกับลูกศิษย์ว่าสมเด็จพระเทพท่านอุปถัมภ์พระแก้วมรกตมาหลายชาติแล้วมาชาตินี้ก็มาอุปถัมภ์ วัด 2 ขาตั้งแต่วันแรกที่บวชในอุโบสถหลวงปู่ได้ตั้งสัจจะบารมี เคยจำภาษาตามวัดต่างๆมากมายแต่วัดที่อยู่ประจําตลอดชีวิต 70 ท่านจึงหยุดเข้าป่า ธรณีน้ำลมไฟภายในร่างกายนั่นเองวัดที่หลวงปู่เคยจําพรรษา 14 พรรษาอธิวัดเนินยาววัดพดง 20 พรรษาอธิวันนิรันตรชา วัดสนามพรามวัดในกรุงเทพฯแปดพันสาติอติวัดอาวุธวิกกชิตารามวัดราชาธิวาสวัดนรยางค์เจ็ดพัน 4 พันสาติอติวัดสองพี่ หลวงพ่อบุญตาถาวโรวัดในจังหวัดหนองคายอาทิวัดบันทุ่งวัดในจังหวัดสระบุรีอาทิวัดหนองโนนเหนือวัดในจังหวัดนครสวรรค์อาทิวัดดง วัดในจังหวัดเชียงใหม่อาทิวัดวัดกลางชูสีเจริญสุขโขงวัดในจังหวัดสิงห์บุรีอาทิวัดภิกุล หลวงปู่บุญดาได้พักเป็นครั้งปี 2519 และในปี 2520 หลวงปู่บุญดา 83 ปีท่านเจ้า วรรณภาพเพียงปีเดียวซึ่งขณะนั้นโบสถ์วิหาร 2522 หลวงปู่ เมื่อหายแล้วได้กลับไปเยี่ยมวัดบุญทวีท่านแปลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อจวนเข้า ตั้งแต่พบกับหลวงปู่ที่ถ้ำแกร่งวัดบุญทวีเป็นต้นมา การปก 2531 ได้พระครูสมณศักดิ์เป็นพระครูโสภณประมาณ 6 กิโลเมตรชื่อวัดสระปะเรียน ได้ไปมาหาหลวงปู่อยู่เสมอแม้สังฆาหลวงปู่จะชราภาพมากแล้วก็ยังเมตตารับทุกนิมนต์ด้วยอนุเคราะห์ต่อทุกคนทุกสถานที่ แป้งมงคลมงคลช่วงหนึ่งระหว่างที่หลวงปู่อยู่วัด 2 พี่น้องก็เริ่ม เป็นเอกลักษณ์กรุงเทพฯที่แจกแป้งมงคลองค์เดียวในประเทศไทย ที่จะบังคับบัญชากายให้เป็นไปในอำนาจของ 6 กุมภาพันธ์ 2536 หลวงปู่ได้ไปร่วม อุทยานีหลังจากประมาณตีหนึ่งถึงวัดแล้วประมาณ 01:00 หลวงปู่มี สมองซิกสายปอเสมหาตกครั้งในปอดมากคูตันใส่ท่ออักเสบหลวงปู่มีอาการหอบ 2536 สมเด็จพระ ทักหลวงปู่เขาเป็นคนไข้ในพระบรมราชอุบตั๋มขณะแพทย์ ICU โดยมีนายแพทย์นันทามาระเนศเป็น 11 กุมพา 2536 หลวงปู่ได้รับการชั้น 2 หลวง 14 กรกฎาคม 2536 จึงได้ย้ายตึก 84 ปีห้อง 808 ด้วยมีความ 26 พฤศจิกายน 2536 หลวงมีอาการหอและไอการจุดลง 2 ธันวาคม 2536 แพทย์ได้ย้ายหลวง 11 มกราคม 2537 ช่วงกลางคืนอาการหลวงปู่จุด 12 2537 2500 37 หน้าหลวงปู่ผู้สดทั้งทั้งที่อาการป่วยหนักยังทรงอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างปรังสุจ บริเวณโรงพยาบาลศิริราชประหนึ่งดังว่านาคพุทธมนต์อมฤตอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อัศจรรย์ใจ กำลังและแล้วละผ่อนลงหายใจสังขารแน่นอนและแล้วหลวงปู่ค่อยๆพ่น ก็เป็นแต่เฉพาะทางกายเท่านั้นหาได้เสวยทุกขเวทนามันทุกขังอนัตตาเป็นนิส จึงมิได้บังเกิดขึ้นกับหลวงปู่เลยศรีรกหลวงปู่ 101 ปี 7 วัน 73 พรรษาว่าชะ 6 นี่แทนที่ ฝรั่งเศสก็เอาทางปอออทางเขมรทางแคว้นลาวทางเวียดนามไปชบเชียงตรงโน่นเลยไม่ได้เพราะรัสเซียและอเมริกาขวางคอไว้ไม่ให้ทําทําลาย หมอนมาแกร่งบ้างพม่ามาแกร่งบ้างเคล้งกันทำลายเมืองโบราณของเขาด่าไม่ด่าเราไม่ได้เราไม่ตอบแทนหรอกเขาฆ่า ตอนเป็นทหาร 2 ชั่วโมงศพทหารที่แหลก 261 หีบเอาไปไว้บนศาลาวัดบราชาธิวาสก็ยืนยามคู่ยามเกียรติยศ เพชรหมู่ยักษ์วันหนึ่งขณะทํากรรมฐานใหม่ๆท่านก็ได้กลิ่นแปลกปลอมเป็นกลิ่นเกรงจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวเมื่อแต่ชุ่มไป เอาเถอะถ้าจะตายถึงไม่หลืมตาดูก็ต้องตายเหมือนกันหนี ตัวยาวหลายว่ายาวในตาแดงฉานวาหัวขนาดเกือบเท่าลูกมะพร้าวในตาแดงฉานและ พระสังคคุณสังฆะคุณแล้วหลับตาหย่อนอุทิศเลือดจิตจึงคลายหวานไม่ห่วงใยในชีวิตบัว วิญชนครั้งหนึ่งหลวงปู่รักกิจนิมนต์จากชาวบ้านเพชรบุรีพร้อมพระอาจารย์เหลิงรวม 2 ทันใดนั้นเองเจ้าหัวบ้านก็สวมวิญญาณวัวป่าทันทีก้ม เดชพลังบารมีของหลวงปู่วัวตัวนั้นหยุดกึกลง ก็ได้สติรีบนําบัวไปผูกเหตุการณ์นี้สามีห่วงภรรยามากเออตายในมุ้ง มันเขาก็คอยดูว่าเกิดเหตุงมนั่นแหละเขาก็คอยดูว่าเมียท้องจริงมั้ยล่ะ hey, 3 ร่างเป็นเมียตนงเป็นแม่เอาสิปฏิภาณดีหยอกเมื่อไหร่ล่ะนมเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงมัน มาเป็นพยานหัวแก่ไม่ได้ถูกค่าแม่คนลูกมีปัญญาได้คนเรียกว่าภรรยาพ่อถาม ลูกบอกว่าบอกว่าหวัวเคียงอยู่แล้วมันหายจะว่าไงล่ะไปหามันสิพ่อทิงมิเรียววิ่งเออ เช่นยังไงกันนี่เพียงไม่มีเหตุผลอุบาสิกา กลับไปบ้านไม่เห็นมีพระไม่เห็นพระเหลืองที่บ้านวางหัก พระโซดาในบ้านมีโสดาในบ้านมีพระอรหันต์ในเรือนอย่าง คนเหล่านี้อะไรเป็นใหญ่ปุจฉางั้นถามหลวง 1 ก็ตูดนั่ง 2 ก็ตูดนั่งถ้าไม่เอาตูดนั่งจะเอาอะไรนั่งล่ะ ถึง 100 200 ก็ซื้อมาให้ตูดนั่งเอาปุจฉาเจ้าคณะตำบลถามหลวงปู่ว่า มันถึงสบายถึงสบายนั่งโดยผัวมันก็หอย 4 นอนท้องนามีถบ ไม่รู้นักถามเอ้าไอ้หลวงปู่บอกว่าตอบไปหมดนี่ครับหลวงปุจฉาหลวงปู่ หนูเกลียดแม่มากค่ะวิสัชนาแม่ไม่มีผัวใหม่ก็เรื่องของ มาฝากกันไงล่ะปุจฉาน้องปุคคังหนูเกลียดเกลียดคนที่ชอบทะเลาะวิวาทกันนิษัชณาจะไปนอน ไปกล่าวกันหลอกปุจฉางุปุครับพระสุขุรีเป็นพระอรหันต์ได้ไหม ของใครของมันต่างหากล่ะปุจฉาวัตถุมงคลต่างๆเก็บไว้นานๆ มันไหลขึ้นและลมอยู่ทุกวันและไปเหนือสุดใต้สุดและบนฟ้ามัน ท่านจะสนับสนุนอนุญาตเร็วขึ้นปุจฉาหนูขอเกาะชายที่ว่าหลวงปู่ไปวิสัชนาพี่เหี่ยวแทนปุจฉา หลวงท่านตาบอดแล้วยังเทศได้หรือครับท่านท่านตาบอดแต่ตาแล้วยังเท่ได้หรือครับวิสัชนาท่านตาบอดนี่ปุจฉาหลวงปู่คะเมื่อไหร่รูปจะมาอยู่วัด วิสัชนาเกิดมาเพื่อดับกิเลสตนเองสิเกิดมาทําไมไม่ทําไมอุจฉาทําไม กราบพระพุทธรูปนั่นแหละตื่นขึ้นมากราบ 3 ครั้งแล้วห่มผ้าแล้วก็ไปอุ้มบาตร ถูกครับชุนัทนี่มีรูปประสาคนมั้ยครับวิสัชนามันรู้แต่มันก็พูด กุชชาผู้ปุคคภพทราบว่าอย่างไรครับพระแม่ใหญ่รัชกาลที่ 6 ปรารถนาเป็นพุทธมารดาวิสัชนาท่านพูดให้ฟัง 6 ท่านๆ ก็จะเป็นพุทธมาดาข้างหน้าท่านสร้างฐานบารมีเรื่อยไปปุจฉาหลวงปู่สร้างบารมีมานานแค่ไหนครับวิสัชนา วิสัชนาก็ได้ทําบุญตัดบาดนับใช้คณะ 80 ปีแล้วนิพพานแล้วเพ่าพระ 500 องค์พระอานนท์เข้าด้วย 18 ตําบลน่ะ 500 รูปพระชนรต่างก็มาช่วยกันปุจฉาน้องปู่ครับปฏิบัติสิ้น